รียบเป็นสิ่งที่จาเป็นคนหมู่มากไม่จําเป็นเฉพาะบุคคลอยู่คนเดียวจะต้องระเบียบตั้งระเบียบคนเดียวคนหลายหลายคนที่ต้องมีระเบียบอย่างพระดินัยพระดินัยใน ม, มากสมัยก่อนนีนิดเดียวพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้มากขึ้น มากขึ้นต่างคนต่างจะทําอะไรก็มันมีหลายเรื่องบางคนอยากจะทําอย่างนั้นบางคนอยากจะทําอำแบงนี้มันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นเหตุนำทุนมาพระเจ้าของเราก็ตั้งข้อกติกาคือข้อพิจารณาเป็ น, นไว้อีกให้ก็เป็นข้อปฏิบัติไปออยู่ไปนานๆไปก็มีคนบางคนก็ทําขึ้นมาอีก ก็ตั้งข้อปฏิบัติข้อระเบียบขึ้นมาอีกหลายอย่างหลายอย่างอย่างนั้นพระดีานายจริงไม่มีทางสิ้นจบ <c oughs> หลายล้านที่ขาบกแต่ก็ยังไม่จบพระดิาในายไม่มีทางจบลงได้ <c oughs> ไม่มีทางจบหรอก ควมียดเียน่เนจบอย่างนั้นพูดไปถึงเรื่อธงธรรมะพูดไปเรืองธรรมะจริงมีเรื่องจบคือการปล่อยวางเรื่องครามเดเบียนก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบสมัยหนึ่งจะมาไปบริหารใร่ไหม สามองค์สี่องค์กี่มากที่นห่ที่นาพระประธานไปอยู่ในปา่าครับตอนนีไฟที่ไม่ไปจะมีบ้านปา่า อ, องค์หนึ่งก็เลยนังซือธรรมะมาอา่านอ่านที่นาพระประธานที่ทําวัดกันอ่านมดเอาทิ้งตรงนั้นในกรนีไปไฟไม่มีมันก็มืด ถ้าองค์มาที่หลังพอมาหยักหนังสือเนี่ยจับหนังสือคุอโดยลายไปเลยอือพระองไหนเนี่ยไม่มีสติเยอะเนี่ยทําไมมันถึงจักพี่เก็บหนังสือเนี่ยอือ่าสอบสวนถามก็เป็ถึงท่านนัถ้าองค์นั่นพอรับปากหลัง <c oughs> ผมอหนังสือเรื่อนี้ไปในนี้ทํำไมง่านรู้จักพี่เก็บหนังสือนี้เนี่ยผมโดนมาผมียัหนังสือเนี่ย ตรงนี้ว่าคือโอ้อันนั้นมันเป็นเพ่อท่านในสังรวมตัาหาร็อกนี่เห็นไหมละ่ะนั่นมีเหตุเพราะนี้นั่นพราท่านในสังรวมท่นนานถึงหยับหนังสือเนี่เพราท่านไม่มีที่เจ็บไม่รู้จักที่เจ็บหนังสือท่านถึงเจ็บไปอย่างนี้นี่ตรงนี้ท่านในสังรวมไม่เป็นเพ้าผมหรอกเป็นพ่อท่านในสังรวม ถ้าท่านทั้งรองแรีกพรองค์ไม่หยัยบหนังสือเรื่องนี้นี่เหตุผลอลยได้นี่นะมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันอมืมันเกิดเรื่องทะเลาะกันนี่ไม่จดที่เรื่องเหตุผล <c oughs> นี่เรื่องธรรมะเรื่องธรรมะที่แท้จริงน่ะต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่า น, นั้นอืม ธรรมาที่พระพุกธเจ้าองค์การกัตสัรุโลกหลั่งนับขีดทั้งหลายได้นะ่ะมันอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลอยู่นอกเหตุเหนือผลอีกอย่างนั้นทุกมันถึงไม่ดีสุขมันถึงไม่ดีทำนั้นท่านมีว่าะงับ แรงาเหตุลรงาผลถ้าได้เหตุผลเลยอย่างเงี้ยเที่ยงมันจตลอดตายเด่นั้นถ้าสององค์เนี่ยนะผมเอาหนังสือใบนี้ดูอะไรผมมาใบนี้ท่านมาว่าไอ้นี่ได้ในหนังสือที่ท่านไม่เคารพผมมานี่ผมเดินมาเหยิบหนังสือเองไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณคุณในสั้นรวมตัาหาถ้าคุ้มระวังถ้าคุณสังรวมคุณก็คงไม่หยิบหนังสือแบบนี้ นะฮะเนีน่ยถ้าเอาเหตุผลกันอย่างนี้ทะเลาะกันก็ทั้งวันตะตันตุนจนตายทำนี้เดี๋ยวทำไม่ทำมีเหตุผลไม่สงบพระนับไอทำที่พวเราศึกษาเดี๋ยวนี้ต้องให้จิตของเรามันรู้เหตุผลแล้วนะสุขมันเกิดเพราะเหตุอันนี้กระลูกทุกข์มันเกิดเพราะเหตุอันนี้กระลุกอย่างนี้ ถ้ารู้จักมันเกิดมันก็น เ, เ, เกิดที เ, ون, เ, ดเกิดฝนเกิดเหตุเกิดผลนี่ตลอดเวลาไม่จบทำที่พระพุทธองค์ท่านก็รูร้ว่ามันระงับต้องอยู่เหตุอยู่เนื้อเหตุนอกเหตุเหนือฝนนอกเหตุเหนือฝนนอกสุดเหนือทุกนอกสุดเหนือทุกนอกเกิด เนื้อตายนี่ธรรมนี้มันเป็นธรรมทีแล้วนะไอคนมรนก็นมาสงสัยเรื่องนี้นี่ปนะุชานี่ยยิ่งสงสัยมากเลยยิ่งตัวสําคัญนะยมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันจะตายเาหรอผมไม่ใชตายเลยเออไม่ใช่ใจธรรม ก, ก ร, รมนะพุทธองค์เนี่ยมีธรรมคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปแต่นั้น ถ้าไปถึงง น, นี่เนี่ยฉันมีสุขแล้วเกิดนี่ไม่ได้ฉันนี่ทุกข์แล้เกิดไม่ได้ต่อไปฉันนี่ไม่มีสุขแลไม่มีทุกข์นี่คือมันระลับแล้วสงสัยไม่มีตรงโนอนมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันจะมีอยู่ที่ตรงเราปฏิบัติไปดีื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้ สุขนี่ระสักว่าสุขทุกข์นี่ระสักว่าทุกเท่านั้นไม่ใช่สัต์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทํานี่เกิดขึ้นเรื่องดับไปนี่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทั้งนั้นเจ้าเอ า, เอาอะไรกับมันะเนี่ยสงสัยทำไมมันเกิอดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดถ้ททำไมมันไปงนั้นล่ะสงสัยอย่างเนี้ย มันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันคือมันไม่มันมั น, มนทำที่มันเกิดทีไม่รับผิดชอบมันไอ้ความจริงทำที่พวกเราปฏิบัติกันอตัววันนี้นะทเนี่้นําเราไปสู่ความสงบความสง บ, บที่เดียวสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่นี่เราเราชอบสิ่งที่เราชอบใจ ไม่ชอบสิ่งเดีราไม่ชอบใจมันไม่หมดเนี่ยทํานี่ไม่ใจทำหลังรับทํานี่ทํำกอดทุกขึ้นมาอให้ใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาเนี่นนี่ฉันฉันได้มาแล้ววันนี้ไอ้พรุ่งนี้ทำไมมันหายไปแล้วมันหายไปไหนแล้วฉนววันนัเมื่อวานเนี่ยมันสง บ, บดีเล็กเกินวันที่ทำไมมันผุดไปแล้วไปแต่บุเบิาะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันนี่ ท่านเหตปลอยอันนี้ความเป็นของมันอยู่อย่างเนี้อ่าแค่นี้มันเป็นของมันอยู่นี้วันนี้มันสงดแล้วก็ไม่แน่นอนเนาะเนี่ยเราต้องโพษมันอย่างนี้สงบแล้วก็ไม่เน่อนนอนอืมฉันนยึดมันไม้สงบก็สงบเถอะเนี่ยอืมผูนี้พูดว่ายไม่สมงบทำไมสมงบนี่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ว่าอืมอ่า ฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นอืท่านจะสงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบอืที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่ามันไม่สงบแต่ถ้าจะแต่ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือเรื่องที่ว่ามันไม่สงบเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นองค์นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ละนักสิกที่นี้มันก็สงบตอนสุดท้ายมันก็เรียกว่า ุ่นวายฉันก็ไม่วุ่นวายฉันก็สงบไม่ว่ามันมันจะสงบฉันก็รู้ว่าเออมันเรื่องของที่สัมมนฉันดูมันแค่นี้นะดูเรื่องมันวุ่นวายดูเรื่องมันสงบดูเรื่องมันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันรุ่นบายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นประมาณอย่างนั้นเราอย่าไปเป็นประมาณเลยนี่สบายแลยทีน มันก็สบายทนี่รู้เรื่องความสงบเทียงที่มันสงบนี่สงบเพราะเรารู้เรื่องเหมัอนนั้นไม่ใช่ว่าอไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เรื่องอันนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่นั่นมันสงบเพราะเรารู้เรื่องเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับมีการปล่อยวางเราคิดดูดีว่าไอเรื่องเราจะสงบเนี่ย คนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกๆคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายอา้าจะไปอยู่ที่ไหนสบายมัเอเอเอา้อ า, อาควคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกใจเําพูดถูกใจเรามีไหม จะมาทำถูกใจเราทุกคนมีไหมนี่ให้เราคิดอย่างนี้ไม่มีไม่มีแล้วกูจะทุกข์ตลอดเวล า, ถ, าถ้าเราไม่มีการป ล, ล่อยวางเราก็เกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูกให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะได้สบายไหมคนเรา เอาปีความพอเอาใจจะสบายไหมฉันต้องพูดคุณต้องพูดในตูวใจฉันแม่คุณก็ต้องทําในตูวใจฉันฉันถึงจะสนุกถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สนุกคนคนนีเกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ม่ไมีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดถูกัใจเราทุกคนใครจะมาทำมํำในนี้ทุกผลมันไม่มีแล้วอย่างนี้ นี่มันเด็ดธรรมะแล้วต้องต้องศึกษาอย่างนั้นฉันนั่นมันจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอดอดอดอดทนต่ออารมณ์ที่มัเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นยึดใหญ่มันจับมาดูแลรู้เรื่องเดีก็ปล่อยมันไปอย่างนี่อือ ยังนั่งเตยอยู่นี่เห็นไหมมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไห่บางทีก็ไปในในในวัดแต้วพเข้าในห้องน้ำแล้วั้นจะผมสังขาอย่านี้อย่างนันไม่แี้แล้วจะท่องไปด้วยส่วนออกออกอาวันเราท่องให้มนนี่มันจะต่อมาเราไปทำนี้ น, นี่ถ้าเราไม่ควรเช่นนั้นทาอย่างนั้นเมื่ อ, อไรเราจะสบายเพราะคนมันเก่นมาก่แล้วนี่ มันเป็นแล้วก็สงสารรู้มันเปยมันเป็นบ้าเลยนะนี่เราต้รู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้ามันสติไม่ดีมันเจีสติไม่ดีอย่าไปถือมันเลยมันจะพูดยังไงก็รับฟังไปเถอะมันจะทําอะไรก็วางมันไหมมันเป็นอย่างนั้นของมันนี่เราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้ต้องปดิบัตความสบายมีความสบาย อารมณ์ของมันการเห็นนั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีมันก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่ี่นี่เหมือนกันต่ทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมีมันไม่ได้ไ ม, ไม่ได้นอกอยากเราปฏิบัตธิธรรมให้รู้ว่าคมคมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นานาจิตตัง นานาจิตต่างในเหมือนกันเราก็ต้องจําเป็นจะต้องอุดมของเราทุกๆุกคนเมื่อมันโตรขึ้นไปดูต้องโกรนะโกรธดีมันมาใจไหนต้องให้มันโกรธหรือเปล่าแต่มันมันดีไม่เคยถึงชอบก็มาเราเกลี้ยกลิ้งมันทามันโกรธมาแล้วดีไม่ดีเราเกี้ยไปทําให้ก็เป็นบ้ากันนะหน่ยถ้ามันโกรมาแล้วไปเกลี้ยกลิ้งมันจริงเราเห็นว่ามันไม่ดีเลยอารมณ์นั้นเราควรัะไปในตํานองนี้ ไปในทตรงนี้แย่ดูด้วยกันมากมากนะมันก็ยิ่งให้ความศึกษาเรามากที่สุดแล้วให้มันรู้วายซะก่อนรู้เรื่องของรูปวายแล้วมันจงถึงความสงบเป็นนี่ไปที่ไหนก็ช่างมันมีพาาระอนรโมก์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนไปริทธบัต บ้านมุชาร์จิติติพ่อไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็สะพายบายืนชู่เนี่สบายเพราะท่านเขาา้ า, เขาใจว่าเรายืนอยุดเฉยเฉมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นร้ายานดูเ น, เ น, เนู่ชู่ พระอนุโมเดินย่ำเท้าเกือบเกือบเกืบเกือกืบอายคิดมาเมื่พระโตอยู่ทำไมทั้งเขาได้อย่างนี้ทั้งเขาเหนให้ก็ยังทนอยู่มันมีเบออยู่อะไรเอให้ก็ทนอยู่เพราะตัวบ่จุ้งจุ้กว่าสุภิสัยแล้วก็ไป บางทีเขาก็ให้ให้โวยฐานเทียนไม่กรบถ้าพุทธเจ้าก็เอาห้ใหใพุทธเจ้าก็เอาให้ก็เอ า, เ, อาเนี่ยแต ท, ทนีนี้เขาทังไคือคนไม่รู้จักพอมาถึงอารามกราบพระโตฯข้าแต่พระผู้มีพระภาคจ้ไอตรงไหนที่เขาไม่ใส่ปากบา้เราจะไปยื่อยู่ทาไม มันเป็นทุกข์หายไปที่อื่นต้องงายกว่าดีไปง่าดีกว่าถ้าอนถ้าพระเจ้าองก์ใอานุนตอนนี้เรายังไม่ชนะมันถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็มไม่ชนะอย่างนี้ถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อืมมกก่นก็ชนะแล้ว ถามันชนะไม่ชนะไม่ดูเรื่องะอยครับใช่ดูเรืองไครับไอทำไมอนุลงทีงนี่มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรายืนอยู่เ็ก็ไม่ให้ไม่ให้เห็นแล้วเป่ามันจะเป็นอะไร อ, ไไอนุทายไอทำไมไม่ไอเขาโต้งแต่ก็ให้ไอายต่อบาปเรายืนอยู่เฉยเฉยมันเป็นบาปที่ไหนไม่ อน่นเราจะต้องทำมันอยู่อย่างนี้ถ้าเราแชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะถ้าเราอยู่นี่อ น, นุจะไปไหนเขาไม่ให้ตรงนี้กับไปโน้นถ้าไปโน้นเขาไม่ให้อย่างนี้จะไปตรงไหนอ น, นุไปดีไปบ้านโน้นดีกาว่าบ้านโน้นเขาก็ไม่ให้อจะไปตรงไห น, นไปตโน่นไลยไปไมไ่อยู่เลยนะ นในในอันนั้นถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันต้องชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็จะนะทั้งนั้นนี่อานุนเข้าใจสิดแล้ไม่ต้องอายนี่พรองค์จักว่าอะไรมันเป็นบาปอันนั้นท่านเนี่ยอายอะไรที่มันไม่เป็นบาปจายทำไมให้อายคนว่าวท่านเะนี่ยภาวนา ย, ยังไม่เป็นอายอย่างนั้น เนี่ยอยู่อย่างนี้ิตประชาชนเดืดอดร้อนอันนี้เราเป็นต้นกันเมื่อเราอยู่อย่างนี้อื <c oughs> เราจะไปอยู่ตรงไหนต้องมีปัญญานะไปอยู่ตรงไหนจะมีปัญญาอจะไปอยู่คนเยอไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้ันสบายสบายใจเราไม่รู้รื่องสบายอยู่ที่ว่ามันไม่มีปัญญา ถ้าถูกรวมแล้ววิญญาไม่มีเป็นทุกข์อย่นั้นฉะนั้นเราอยู่ในโลกแล้วเรต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นเมื่อพอเป็นไม่อยากจะอยู่มันไปอยู่เป็นไป อ, อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เราปฏิจรารณาอย่างนั้นเราก็ต้องกลับย้อนกับมาปพิจรารณ า, าอารมณ์ให้ทา่านตัดว่า นินทาสนเสริมมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่งสันเสริญเป็นคำของโลกถ้าไม่ดีเ้าก็ น, นินทาถ้านี้ก็ต้องสันเสริญเป็นเรื่องธรรมของโลกถราพุทธองท่านเห็นนินทาเห็นสันเสริญจนเยันสนเสริญในมันรู้จัก จงมาเรียนมิณฑาให้มันรู้จักทุกอย่างอให้มันรู้จักสัมฤทจิ์เสรินมิณาสัมฤทธิ์เสรินมิณามันก็มีผลเหตุผลเท่ากันมิณาเราก็ไม่ชอบนี่เราไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสัมฤุธิเสรเราชอบไอ้ที่เราชอบมันมัพาเราทุกงหนี้ไหม ชมว่าเอามีก้อนเพชรก้อนหนึ่งเรวชอบหลายชอบตัวก็หินธรรมดาเอาวางไว้ถ้าขโมยมาหยิบก้อนเพชรไปหนึ่งมันจะตนไงไหมนั่นแ่ะพร่องดีมันหายนั่นคือสังเวยแล้วก็ถูกมินทามันสูบสังเวยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอยู่แล้วนอกจากเราต้องทนทนต่อสู้ให้เรามีสติสติคุ้มครองจิตของเรา สติคือความระลึกได้ทํามบัญญัติคือความรู้ตัวว่าอันนี้ช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่สติละเอีมากกว่าคราวนี้เมื่บาดี้ตั้งจจจับในเท้าสติเมื่อเราจับในเท้าอยู่เดี่นเราก็รู้อยู่ว่าเราจับในเท้ามนมีเป็นสัญญะนี่นี่ ถ้าเราอยู่รู้อยู่ในคณะอันนี้คณะเมื่อจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็มีความรู้ตามความปิจริงของมันอย่างนั้นอันนี้แหละมันจะช่วยกับคับกระของจิตใจของเราให้รู้ธรรมะอันแท้จริงอีนี้ถ้าหากว่าเราฝืนไปสักนาทีก็เป็นบ้านาที เราเปนอิสติสตีสองนาทีก็เป็นบ้าสองนาทีอืเราจะครึ่งวันครึ่งครึ่งวันเราไม่มีสติเลยก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเ น, นี่ยหนึ่ตัวนี้นี่สตินี้คือความรู้ตั ว, มตวไม่มีสติคือความไมรู้ตัวอสตินี้ควนมระดึกได้เมื่อเาอะไรเราระลกไม่ได้ว่าจะพูดอะไรจะทําไร เราทําอยู่เราก็รู้ตัวอยู่อืจะทําอะไรก็รื้ได้อยู่อย่างนี้มันจะมีอะไรไหมคล้ายๆกับเาขายของอยในบ้านเราเราจะดูของของเราอยู่แม้วคนมันจะเข้ามาซื้อของเพืาะมันเ็นขโมยอย่างละตะลุยของของเรา ถ้าเราก็กดลายมันอยู่เสมอแล้วเราก็รู้เรื่องว่าคนตัวนี้มันมาทําไมนี่นะดองจับอาวุธมาอยู่เนี้อยู่นี้เรามองเห็นไอ้ขโมยมันมันเห็นเรานั่นก็ไม่กล้าจะทําเราถ้างทัพพูดยิงตุ๊บนี่ถ้าล้วก็ขายของอารมณ์ก็เหมือนกันตีเราด้มันอยู่มันทําอะไรเราไม่น่าเนี่ยอารมณ์ไม่จะทําห้เราดีใจนี่ อย่างนี้ไม่แน่นอนเขาหายไปจะไปยึดมั่นถือมันทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แน่นอ น, นอเนี่ยอย่างนี้อารมณ์นั้นก็เป็นโมคะ่านนั้นเราสอนตัวของเราอยู่นี่เรามีสติอย่างนี้เนี่ยเราประสานี้เรื่อยไปทำไปเรื่อยไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนตอนไหนก็ตามเถอะเมื่อเรายัางมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาว น, นาอยู่ การภาวนาอยู่นั้นไม่ใช่เรานั่องจากว่าจิตอย่างเดียวดูดูนดนไปเราก็รู้จักนั่งอยู่เราก็รู้จักนอนเราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอมิแต่มีความประมาณเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักขอเราอยู่ความรู้อันนี้เนี่ยที่เรียกว่าคุตโธเรารู้ที่ เห็นนำมาพิีารณารีดีมันก็รู้จักสิผลของมันรูเรื่องค่อยๆดูเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าชาวตะันตกเขาอยู่กับประเทศไทยอยู่ไประเทศเชงเดี๋ยวนะ้ให้ความอยู่ติดๆกันไปนะภาษาไม่รู้ก็ตามแต่มันดูเรื่องกันเห็นไหมมันรู้มากกันานี้ดูเรื่องกันแล้แต่ภาษาไม่รู้ก็อยู่กันไปได้ ออย่างนี้มันรู้กันดูวิธีอย่างนี้ไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องกันนี่เราก็อยู่ด้วยกันไปได้ไม่ต้องพูดกันอืทำงานต่างกลต่างทํำในเมืองไทยกับันนอกทำช่วยใกล้กันเดินไม่รู้จักกันมันก็รู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยเจตจำนงอากากิริยาที่ว่าให้รักกันให้ชอบกัน อะไรมันก็รู้อนนันอยู่เนี่ยเป็นอย่างเงินมันก็เหมือนกันกับแมวกับสุนัมันเรียนรู้ภาษากันแก้ว่าแมวมันก็รู้จักรักเกี่ยวขอเหมือนกันอมันเรียนมาเขี่ยกันอย่างนี้ใมันี้มันรู้จักมันรู้เรื่องแต่มันรู้ภาษา อย่างเราเป็นเจ้าของบ้านแมวหรืสุนัขมันอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านนะไอ้สุนัขคงจะวิ่งไปทำความขอบคุณเลยนะถ้าเรามาจากตลาดหมือมาจากที่อื่นก็ไปถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเราสุนัขอยู่ที่บ้านเรามันต้มาทำความขอบคุณ มันจะลองมันจะฟำอเสียดมาเสีย้แต่ภาษามันไมรู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้นอันนี้เราไปอยู่กันไปได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเหตุอย่างนั้นอันนี้เราเข้าใจเข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติไปธรรมะบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะช่หลายความโกรธมันโกรธขึ้นมาหลือมันเป็นทุกข์ถ้ากันหมามันเป็นทุกข์มาแล้ว เป็ทุกข์ประจัญจาอชอบทุกข์ไม่ชอบเอาไว้ท <c oughs> าไมถ้าเราชอบจะยึดมันไปทาไมทิ้งมันพี่ถ้าทุกข์มันเกิดแต่คุณทาไมต้องยึดมันไว้ยึดไว้คุณก็เป็นทุกข์เท่านั้นนะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบทุกข์ยึดไว้ทาไมก็ทิยงมันไปที่ั้งแต่พร้อมตะวัน ตัวสอนไปไปไปไปนึ่งกับรู้กัไปรู้กัไปรู้กัไปเนี่ยบางทีทุกข์มันเกิดขึ้นมาทุกข์ย่้เรารู้จั ก, จากคาสอนเอออันนี้ทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดเมื่อไหร่ทานี้นอที่วิ่งด้วยบาก็เห็นชัดเห็นชัดก็่อยๆวาก็ ก, กอยาค่อยๆวาวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเกา่าที่งก็ดี สองทีเป็น อ, อย่างนี้สามทีเปนีย่างนี้เกิดประโยชน์แล้วเกิดตู้ตู้เรื่องกันแล้ว เ, เรื่องเกิดความรู้เรื่องเฉพาะตัวของเราเราก็นกัน่งอยู่พอดีเดินอยู่พอดีน้อนอยู่พอดีพูดภาษาไม่เต็มเต็จิตตะลุ่ยภาษาธรรมะนี่ยเราจะพูดว่า่ปิดตรงนี้ไว้ปิดปากนี่ไว้ ปิดปากมีไหมปากกายเปีปวดปากใจนีไห้ยื่ตืดใจดมันพู ด, ย ด, พดอย่างนั้นอย่างอีใจนั่งยอยเงี้งเงียบยิ่งพูดดีดีพูดกับอารมู้อารมณ์ในเรว่าปากในนั่งยืดยืงไรู้จักไม่ต้องพูดพูดอยู่ข้างในข้างในพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างใน รู้ยอยู่ทํางในไม่ใช่คนโม้คนรู้อยู่ทํางในรู้จากอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้เโ น, น้นกันกับอายุชีวิตของเราเนี่เกิดมามีกา ร, รยกระดันวันคืนของเราเนี่ ย, ต อ, ต, อยตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันยกระดับอายุเราไหมวันคืนนี่ นั่นในใ่ว่าละเกิดมาวันนี้มันก็ให้แก่พวกนี้มันก็ให้แก่นอนแบบอยู่มันก็ให้แก่เดืนอยู่นก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันเนะ น, นี่ยสมองสมืหเรือเปลือยทีเราเกิดวันนี้เราจะนอนอยู่มันจะทำงานของมันอยู่เราจะเดินกว่าะทำงานคือซ้อมโตของเราเนี่ยนะโต ใหญ่ขึ้นมามันก็โตอยู่กลางวันมันก็โตกัางคืนมันก็โตอือนี่เดียววามันปฏิภาคาเของมันมันจริงทำเนี่คนโตที่ไม่รู้สึกดีมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โตของมันเองเส้สิ่งที่เราทำกันก็คืเราเราทานอาหารทานข้าวดื่มน้ำนัของเราเป็นเรื่องของเราเรื่องร่างกายมันจะโตดะว่องขึ้มันกนเรื่อง มันจะเป็นของมันเหล่าพนักงานของเราสัางขานไม่ว่าน ง, งานของสังขารมันในทิศทางอะไรมีสฏิปทามาติดต่อกันอยูเสมอการทําเพียนของเราของมันกันอย่างนั้นต้องพยายามต้องพยายา ม, มอย่างนั้ น, น <c oughs> เราจะต้องมีสติติดต่อกันเสมอมีควารู้ติดต่อกันเสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้ จะนั่งมีูก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะวกวาดม่านอยู่ก็ได้ไม่ต้องลูมมีความู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจทั้งนมันจะพูดอยู่เรื่อยๆอยู่อ่างนั้นมีความรู้อยู่มีความเตื่นอยู่มีความเ บ, บิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นนั่นคือว่าเป็นประโยชน์มาก ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราจะเห็น ว, ว่าอืออันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่ไที่ให้อาหารมันอันนั่นเกิดขึ้นมาอออันนี้ประยุกแต่ว่ามันไม่แน่นอนหรมันไม่เที่ยงเท่านี้เรากระลึนขอไปด้วยดียด้วยดียด้วยดียดยดย น, นั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราน่าอ่าเรานิ่มอยู่อยู่ดี เดียงถามว่ามันคือนีว่าถามทัศนจิตตัวเขาอยากจะรู้ว่าจะทำให้รู้จักกฎเกนฑะว่าจะทำเวลาเท่าไหร่เวลาห้านาทีรู้สิทิมัติอธิษฐานไวเรื่องอธิษฐานไว้เขาอยากจะทำให้มีกฎเจนฑ์่งนะน อันนี้เรื่องมันรักตัวอยากจะทำตามแบบทำเครื่องแบบแบบนี้น ไ, ได้นะนอยากจะทำตามแบบอันนี้เรื่องการอธิษฐานอาตมาเลยบอกว่าแนา่นอนอธิษฐานบางทีแบบฉันนังฉันจะนัน่นงไปสามสัโมงบางทีนั่งคินาทีก็เดือดร้อนเนีไม่ ไม่เคลอนชะอย่างนี้ไปแรกเมื่อนี้ไปแล้วคิดยังไงเราเนี่ยพูดโกหกตัวเราเองไว้แต่โทษเราอยู่บางทีเราโทษต้องบอกหนึ่งมาจุดิอธิษฐานจิตใจมากไฟอยู่ถูกบอกเนี่ยไม่หมดฉันจะไม่หุกหนีเลยฉันจะพยายามอยู่นี่ไงพอดีบก็ถึงเวลาใจา พอทสามผู้เลยมีพยาบาลมาแล้วหยุดถูกพักก็ไปนั่งนั่งโอ้ยมันถูกหลายเดือยเดี๋ยวยวกมันสมกัดเดี๋ยวอยู่มันสมกัดอะไรได้วุ่นจังแม่ญาติลูกนี้ไปกับเราอยาติทานแล้วนะปับยูมนลลนันสงบนลุกนึกว่านานเต็มทีแล้วมันจะตาย เดี๋ยตาโตมาดูประทุ่นะยังไม่ขึ้นขึ้นเลยหังดับมันเป็นที่ฐานใหม่ต่อไปสามทีสี่ทีก็พูุ่ก็ยังไม่จบเลยก็เดีออกมาโอ้ก็มาคิดเนี่ยเรานี่มันไม่ดีหอตื่นแล้วมันกลัวหอกลัวขึ้นช้อยในเริ่มไปวิ่งกูเกาอีกนะเรานี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนปฏิจัยในเป็นคนกลัวหอบกหอบพระเจ้า กหพรพุทธเจ้าโกหกตัวเราเองเกิดบาปทำไมนี่อาจจะมาเห็นว่าต้องพยายามทําไปเรื่อยๆพอสมควรที่จะเลิกเราก็เลิกมาบอกเหมือนกันกับเราทานข้าวเราอาศัยฐานเป็นเมืออไรทานข้าวทานไปทานไปมันจวนใจหยิบจะกอดแล้วก็เลิกมันเท่านั้น กินไปมากแล้วก็อาเอีเยนอกแบบนั้นแหละเนี่ยงั้นพอดีอย่างนาั้นเที่ยงคืนก็ฟังคือนี่ออนพอข้าเทียงต้องรู้จักกําลังโคของเรารู้จักกําลังเทียนของเราโคเารามีกําลังเท่าไรเทียนจะมีกํำลังลักนักเท่าไราไหมต้องรู้จกักต้องเอากำลังโคของกําลังเทียนของเาเจ้าของเพียนจะต้องรู้จักเทียนของเราว่าลักนักแตกประมาณเท่าไหรอย่างการปัญญาสมมติ เรามีเปลี่ยนลําเดียวนะอยากจะบรรทุกหนักให้ขนาดรถติดล้อพังหมดทั้นั้นเนี่ยตายเลยนะต้องค่อยไปค่อยทำอย่างนี้ให้รูกจักของเราก ต, ติปทาเราเดินทําไปเลยได้หนึ่งเนี่ยสบายอ ม, มันมวุ่นวายกว่าตั้งใหม่มันมวุ่บายไปกว่าตั้งใหม่ถ้ามันมวุ่นวายดจะเดินขึ้นลุกเดินจะพมวพัดดน เดินม่ดียังไงเพราะเหนื่อยแตมานั่งเนื่องแต่หมดมันเหนื่อยมันก็สมบูรแล้วครับถ้าเดินก็พอแรงเนี่ยนั่งก็สมควรนะอยากจะพักก่อนก็พักกอนซะอย่างนี้แต่ละอิจฉารื้อมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนอยู่ในข้นตอยตัวนี้อย่างงั้นที่เราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรไม่ต้องยาย่อน ไม่ต้องยอะเย้ยไม่ต้องทำพยายามอย่างนั้นเราให้ความเร็วของเราความอยากเร็วของเราอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความอยากของเราอยาก เ, ก ร, กเร็วที่สุดใครกูอยากเร็วที่สุดแต่มันเร็วไม่ได้ธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นเราก็ถึงกำหนดอิดอมันปฏิบัติตาม ธรรมชาติของมันอย่างนี้อยากใจมันเลดที่สุดนั่นไม่ใช่ธรรมะ ม, มันคือความอยากของมันคือความอยากของมันเราจะทําตามความอยากของเรา น, านั้นไม่จบไม่จบให้รู้จกักดูระดับขอ ง, รอองพระอานุนพระอนุนนั่นเหมืนนนอนมีศรามากที่สุดอ พระอาานุนอพุ่งนี้เขาจะกำหนดพระอรหันทรทำสังขยาและพระคณาทูนัยกำหนดพระอนุนองหนึ่งจะเาทำสังขยาแต่เอาทกวนเ อ, อาแต่พระอรหันต์ตงนั้นพาาระอนุนเลี้ยงคืนเดียวใช่ไหมเข <c oughs> ไม่เป็นพระอารหันี้ ไม่รู้จะทำไงพระ อ, อนนันตก็อาศัยความอยากสั่งทำอะไรน้อยจึงจะเป็นพระอรหันเนาะไุ่้่นนี้มันมีชื่อเขาจะนับเขาอันดับแล้ว่ะจะประชุมสงทำกันไปนานตอนกลางคืนก็ไม่รูะนั่งว่นไม่ได้นานนอนเอาไปแล้วนั่งเอาแล้ ว, ลวทั้งอยากจะเป็นพระอรหันเนี่ย่วงจะไปตามข่วงวะทำไปทุกอย่างคิดไปตรงนี้ก็มีแต่ปัญญาอยาง คิดไปท้งนี้ก็มีแต่ปัญญาอยางคิดไปก็มีแต่ปัญญาอยากั้งนั่งวุ่นวาเลยราคิดวนไปสว่างอะอย่างเอีเราจะทาไงนเนาะเพื่อนตาทางนี้ทงางไหนจะทำสังฆทาและเพือแต่พะระหลานทางนั้นเราอย่งพุทธชฌาจะทาไงเนาะทาแล้วทาที่พระพุทธองค์ท่านแสดงทำไว้ที่ท น, ททนาทุกอย่างไม่คัดข้อง แต่เราจะไม่กระดีดยัไม่ได้ยังไม่เป็นพระ อ, อดียเจ้ากระทำหน่อยเนาะโดยคิดคิดว่าเราจะตามความเพียรมาตั้งแต่ยันค่ําจนถึงแบบนี้มันจะเหนื่อยไปมากแล้นะคิดนี่เลยคิดไนียแล้วจะพักผ่อนสักพักหนึ่งดยเอาหมอนมาจะทําทการพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนวางทอดุระหมดเท่านั้น จะพักความทันทีปุ๊บชี้สายยังมาทันถึงหมอนเลยพอเท้าพุ่นถึงตรงนี้น่ะต้องนั่นขณิกิติทันเนี่ะพอวางเราจะตามหาหาความวางตอนนั้นแหละมันวางไม่ได้ทำมาตลอดกี่ปีมันก็วางไม่ได้แต่เวลานั้นพักผอตั้งใจบนโลกอยพักผอไม่ต้องทําอะไรแล้วตั้งสติแล้วไปจะพักผอ พอดีอิจฉาดวงทุกเลยในที่พักผ่อนเน่ยมันวางทอดทุลักต่นั่นเองตอนพระอนุในการกระทู้ธรรมะตอนที่เราอยากจะเอางานเจนอย่างนั้นอยากใจมันเจนนเออไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่มีเวลาแกกระทู้ธรรมให้เข้าใจมากอการที่กระทู้ธรรมเนี่ยมันทอดเวลาจ่อยวางโวยมีสติโวยปัญญาด้วยความรู้ ไม่ใช่เราไปเรื่องมันนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องอื่ น, นไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางถอดพอปุ๊ตรงนั้นไม่มีอะไรเขามายุ <5000? S 1> ่งตรงนั ичес, ้นตรงที่ว่าพักผ่อนนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรจะมายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งตรงนั้นเลยเสมตรงนั้นพอดีขาน่ากิจตรงนั้นก็พอดีได้โอกาสพบแต่นั้นรวมพุบตรงนั้นถ้าอนุเฉลิกระไม่รู้สัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นแ่านั้น ไอ้เจามันรู้ตัวอยากจะทำมันมันตัดกระรูปเป็นอย่างเงี่ยไม่ได้นี่นี่คือความอยากมันทับต่อไปทังไม่เห็นนะนี่ตรงนั้นแหละที่เลายการตัดรู้ธรรมะที่คนไม่รู้จักมันก็ทํายากเช่นว่าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ทีอยู่ของคนไอน้ความริโตของผู้ทศนิจะริโตกไปตรงนั้นก็ไม่ได้เช่นว่าหนึ่งพื้นมันสองราคามัน อย่างมีพื้นนั่นลังคาตรงนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีพภพคือลังคากับพื้นเนี่ยระยะระยะระยะกลางนี่เอกว่านะไม่มีพพถ้าคนจะอยู่ <S <S ก็จะมาอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครกำหนดที่จะอยู่เพราะมันไม่มีพพ ตรนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางนี้มันจะเกิดอะไรไหมนียอย่างนี้เมื่อขึ้นไ ป, งงปนอยอยนข้งนเป็นภพเคยอยู่ลงมาสถานีเป็นพเค็อยู่ฉะนั้นคนมีแต่สุขกับทุกข์ใช่ขึ้นไปข้างบนจะสูงไปหน่อยสบายโดนกระตุม้ม คือมีเจ็บละเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์กระจุกมันจะวางให้มันเป็นปกติไม่มีเพราะว่าที่ไม่มีภพเนี่ะที่ไม่มีภพเนี่ยคนไม่สนใจแม่จะดีบตกบิดจะดิบตกไปก็ไม่ดิบตกไปในตรงเงินตี่ม่มีภพที่พระพุทธเจ้าองดว่าที่ไม่มีภพมีชาติคือไม่มีอุปาทานนั่นเองอุปทานจะเห็นในทุกเกิดอุปทานนั่นแหละ เราจะปอยอุปทานันปล่อยไม่ได้แต่เราอยากเจะสงบ น, นี่มันก็ไม่สงบคนเราอยู่กับภพ้าวายามีภพชุดไม่ได้คนนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นที่ดิจของคนมันเป็นอย่างนั้นถ้ามิพานที่พระองค์านัดคนจะพบชาต ท่องไม่นะไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่มาพบใช่ถ้าไม่มีพบไม่มีที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่เลยฉันจะอยู่ยังไงยิ่งคนธรรมดาธรรมดาของเราแล้วเนี่ะเองว่าฉันจะอยู่ที่นี่ดีกว่าอยากจะเกิอดอีก แต่ก็ไม่อยากตายนี่มันขัดกันได้ย่างนี้แต่ฉันอยากเกิดอยู่เจ้ฉันไม่อยากตายนี่มันพูดเอาคนคนเดียวนมะตามภาษาผมเจ้าฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมีไหมในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายเองนี่ถ้าพูดตรงเว้ยจ้าแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดเต้ฉันไม่อยากตายนี่ทําไหม คิดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เขาออกไปคิดให้มันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จากทุกข์ <im up> เขาต้องคิดอย่างนั้นแต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายมีไหมพระพุทธองคาว่าไอ้ตายมันมาจากความเกิดถ้าไม่อยากเกิดถ้าไม่ถ้าไม่อยากตายอยากเกิดไม่อยากตายอยากเกิดีแต่ฉันไม่อยากตาย พูดไปกิเลตัณหานี่มันไปยากมันตปลำบากนนั่นมันถึงมีการปล่อยวางเลยยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้กิเลสตัณหาเนี่มันเป็นอย่างนั้นอจะนั่นททงทีง่ขัจตวองธรรมปเัชญาไม่มีอย่างตุ้งสาวบางอย่างแล้วอะไรไปกว่าไม่มีสิเกาะไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพไมีชาติเราฟังไม่ได้ จนกระทั่งท่านย่ำเข้าไปถึงตัวโตนนี้ว่าไม่มีตัวนี้ตนตัวตนนี้มันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมันจริงหร่ากันเป็นจเลยสมมุติถ้าพูดถึงนิมมุ ต, ต่ตัวโตนนี้ไม่เป็นกรรมฐานอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะก็ใจเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมตวิว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา เมเป็นสมมุติเป็นตัวเป็นตนถ้าเดตัวยึดตนนั้นนีงได้เป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้ามีตนก็มีขอมตนถ้าไม่มีตนขอมตนก็มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันมาถึงนั้นเราไม่รู้เรื่องเช่นคนเาก็จริงเดียวว่าอยากมีจะไม่อยากตาย พูถึงเรื่องกระแสพานิพานแล้วนะอถ้าไมา่รู้ว่าปปัจจตังแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะปรารถนาอะไรถึงพานิพานนี่ก็ไม่ใช้เรื่องปรารถนาอีกด้วยไม่มีเรื่องปารถนาปรารถนาใตๆเหมือนกันอย่างนี้นั่นเป็นลัหน้าที่แบบเข้าใจยากแต่ว่าอย่างอ ย, างยมอมคำฟ้านะจะเข้าใจในเรื่องพานิพาน อยพูดในอุตส่าห์ฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เรื่งองเลยยินจะโหยที่สวยไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจเพราะาทมา น, นี่นะถ้าให้แดกันได้ย่ังไงมันก็สบายเลยมันก็สบา ย, ยแต่พ่อแม่ของเราเนะ่ะก็ออยากจะให้ก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะทามานี่มันเป็นอะไรมันเป็นตัดจัดตั้งมันดูเฉพาะตัวของเราเอง บอกคนอื่นได้แต่ปัญหาอยู่ว่าไอ้คนอื่นจะรู้ไหมเนะี่ยถ้าคนอื่นที่ทําตอนรู้ไม่มีใ น, ในใจแล้วทำไมรู้ไม่ได้เนี่เนีฉะนั้นพระพุทธองค์เป็นตัดว่าขตาโลสถานตารถ่าขตารถเป็นแ ต, ต่ผู้บอกน่ก็เหมือนกันกับเราภูวานนี่แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทาให้บอกแล้วเอาไปทํา จงหวะมันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเลจิตตโภวิญญูหิตบิณฑูบิญญูชนทูเฉพาะตัวเองเพะนั้นอย่างพูดตอนนี้จะมาเชื่ออาตมานั่นกนะ <c oughs> ็ยังไม่ใช่ของดีนะไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ของแท้ มันเชื่อคนหลุดคนที่เชื่อสนหลุด อ, อยู่พระุทธองค์เนี่ยยังโง่อยูงง่ยังโง่อยู่อย่งนั้นพระพุทธองค์อยากให้รับรู้ไว้เดี๋ยวไปพิจารณาให้มันเกิด ข, ขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองธรรมนี้มันจึงเป็นการจัดฟางอย่างนั้นพิจนารณาการสังทำก็ให้ทำความเข้าใจว่าไม่ปฏิเสธรักฟังไม่เพื่อพิจนารณา ไม่เชื่อส่อไหนะเชื่อต่อไหนวะวางไว้แต่จะดูดูไม่เกิดปัญญาดูไม่เกิดปัญญาถ้าอะไรตทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผงเพียงพอในใจที่านเราเองท่านก็ยังไต่อไว้ต่อไว้รู้วา่วา สองข้างนีข้างนี่ก็ข้างนี้สองข้างคนเรานะ่ะมันจะแอบเดินไปข้างนี้แอบเดินไปข้างนี้เดินไปทางการ ม, มันไม่จะเห็นเนาะมันเป็นทางเปลียวเดี๋ยวก่อนรักก็ไปทางรักข้างกไปทางช่าง จะป่อยการรักการชังนี่ไปตรงนี้มันเป็นทางเกลี่ยวมันไม่ยอมไปออตามอุสกรณีการโยโคอัตตะยิราภายโยโคเมื่อพระองค์กับรู้ธรรมะธรรมแท้เป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้าารราานาาทางหนึ่งมันเป็นทางสุขของกามทางหนึ่งมันเป็นทางทุกข สองอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่สงบแต่ท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมัสมเนธสัมเนะนี่คือความสงบคือความสงบอยากสุขทุกข์ไม่จะมีคนสุขมันสงบไม่จะมีความทุกข์มันสงบต้องปราศ จ, จากสุขหรือทุกข์มันจริงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำเมย ม, มันมีความสุขใจได้เพิ่ม อ, อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะที่จริงนะ เอมันสุข ก, ก, ก็มีทุกข์ต่อไปเรื่องต้องระวังสุดหรือทุกข์ในสองข้างความทุจตัวแตกต่างเดินเดินผ่านลกลางๆเรามองดูสุกขกว่าเห็นทุกขกว่าเห็นแต่เราไม่ไม่ปราศรานะอะไรแันเดินไปด้วยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์กรกเราต้องการความสงบดยงนั้นจิตใจเราไม่ต้องแย้งไปหาความสุขไม่หาความสุกขกว่าเดินดีเรืยอยู่ เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมัสมีอุปเส ม, มาสทิฏี่ความเมตตชอบเกิดขึ้นแล้วสั ม, มาทิฏฐิความเมตตชอบไอความแบบนี้มันก็ชอบควอมมีโต๊ะมีจารนมันชอบทั้งนั้นอันนี้เป็นสัมมามัสอืนเป็นมัชกาปฏิปทาแหละถ้าจะทําอย่างนั้นในเกิดอย่างนั้นที่นี้มาเราได้ฟังกันแลต้องไปคิดดูทีทำมากกานหมด ก็ท่านต้องการความปล่อยวางไอ้ความปล่อยวางจะเกิดขึ้นเมืมันตรงรู้ตามความเป็นจริงมันถึงปล่อยวางได้อืถ้าความรู้มันเกิดจากความเป็นจริงแล้วจะมีการอดทน ม, มีการปฏิบัติธรรมมีการอดทน ม, มีการพยายามมีการปฏิบัติอยู่เราต้องใช้ทุนอยู่เสมอทีเดียวเร็วๆเราจะต้องปฏิบัติธรรมอืม เมื่อมันหมดแล้วกสเลยธรรมะมันก็ไม่มาไปอืมไม่อา ไ, ไ, ไป ช, ย, ไ ย, ไปช ย, ยังรื่อยๆกันเนี่ยคมมันก็าําดีด้วยเขาตัดไม้นะ่ะเขาตัดไม้เนี่ยตนะัดไม้ด้วอยตัดนี่ที่นี่ม้เขาตัดหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเรื่อยเอาวางไเฉยๆไหมไม่ต้ออาไปใ้อีรื่อยคือธรรมะธรรมะเอาซ้ำแลวก็ปฏิบัติเพื่อใหบ้บรรดูมรรคผล ว่ามันเสร็จแล้วเป็นต้นธรรมะก็มีอยู่ผมวางไว้มืนก็เลยกเขาตัดไม้เท่า น, นี้ก็ตัดเท่า น, นี้ตัดเสร็จแล้ ว, วเรื่อยไปทำไมวางเลยนี่อย่างนั้นเรื่อยมันก็เป็นเรื่อยไม้มันก็เป็นไม้ม น, น, ไมนี่เรียกว่าหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สําคัญแล้วเนี่คือน า, าโวสิ้นสิ้นการตัดไม้ให้ต้องตัดไม้ ตัดพอแล้วเขาเรียวางไว้เถอะในอย่างนี้นี่คือใครจะต้องประกอบการาพูดปฏิบัติบบตองอาศัยทํามะอยู่ไอคนนั้นยังไม่จบถ้าากพอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอน ม, มันไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องทําอะไรมันปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปนตามธรรมชามติแับนั้นถ้าเอาความยึดมั่นไหมามันนี่ยจะทําอะไรมันเนี่ยสงบแล้วคนนั้นก็นสงบแล้ว จบแล้วนี่เราก็ทาไปจะแม่ต้องใช้อันนี้เป็นยังไยมันมั้มันจะกลายเป็นเกิดอุสาหิจะกลยมากทีเดียวแบบยังเป็นเด็กๆอยู่นะยังเป็นเด็กอมมุนนะอมโมอองนั่นน่ะทำให้ทุกข์ได้แม่อะไรเงี้ยน่ะมันเป็นทุกข์อ่ะต้องดูดูความดูออกจากจิตใจของเราดูป่อยดูมันะ ด, ด, ดูอะไเกิดขึ้นมาปู๊อันนี้ไม่แน่ นี่ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนาวีอันนี้ก็เอออันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันไอ้ความจริงมันอยู่ตรงไหนไอ้ความจริงของมันเปลี่ยนองมันอยู่อย่างนั้นเลยโน้นเป็นอย่างันอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นนั้นไม่ใช่เป็นอยู่อย่างไรวางมันะความสงบเกิดขึ้นได้นี้เราข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามาไม่รู้เรื่องก็ไปทุกข์ตลอดเวลาไหายสงสัใช่ไหมอย่าไปสงสัยมันนะโลกนั้นนะ แต่ะเป็กหลายพอแล้วปลายร่างนนเนี้ยที่ได้ที่ไ้เงินค่าส่งบินเขาบินมาไกลเลยยังมาสงสัยอยู่ตรงเี้ยไม่เอาแล้ว <c oughs> โอที่รดยค่าเครื่งบินเา้าเราเรา่เรางเครือบินมาสงสัยอยู่ในเมืองไทยเป็นทุกข์ด้วกเนดนเดื <c oughs> ออ่าขอค่าสค่งบิน กรับคือ่อจะให้จะขอมไปนะ